พยายา้จว่าจะผีโจทย์อมัาแต่บามันก็จะไม่ส า, ามารถข้ามบางข้อ ไ, ได้ก็จะ ม, ม, ม, ม, มีมาช่คุคณคัณถ้ามันเป็นความสึกผิดนะก็โดยเพราะผิดกับคนที่เราลักเนี่ย พยายามที่ขอเข้ามาขอเอาสิทธิ์หรือขอขออภัยวิธีหนึ่งที่เราทำประจำในคอร์สเชิญผับตาสงฆก็คือว่าเชิญเข้ามาแล้วก็บอกเขาว่าเราขอโทษหรือว่าบอกความจริงใจทุกอย่างที่เราจะจะบอกเขา หรนะือว่าเขียนข้อความต่างไปหลายคนพอได้ทำอย่างนี้แล้วรู้สึกโล่งถึงแม้ ว, ว่าไอตอนที่ถึงแม้ตอนที่เรานึกถึงเนี่ยจะนึกถึงเหตุการณ์แล้วรู้สึกเจ็บปวดนะแต่ว่าการที่เรารู้สึกได้พูดได้บอกะอะไรเขามันช่วยได้เยอะ ไม่ว่าจะเป็นคาขอโทษคำขอบคุณหรือม้นระา่งการได้บอกเรามันเป็นสิ่งที่ช่วยได้หเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไ ม, ไม่จัดการากับอารมณ์ที่เกิดขึ้น มันก็จะจรบกวนจิตใจเราเสมออันนี้ไม่ใช่ว่าความรู้สึกผิดนะความรสึกถูกกระทำโกรแค้นเนี่ยถ้าเร า, าได้ให้อภัยคนที่เขากระทำกับเราเนี่ยเราก็จะหลุดจากเหตุการณ์นั้นได้จากความรู้สึกนั้นได้ เพราะสุดยอดนี้ถ้าเราไม่ไม่ทำอะไรกับมันไม่จัดการมันไม่ทำงานกับมันมันจะเหมือ น, นคุกที่ขังใจเราแล้ ว, ลวก็ทำให้เราไม่ไปไหนไม่ได้วนนึกถึงมันติดใช้เป็นอุปสงค์ไม่ทราบตอบคำถา ม, าถมาาคุณหรอือเปล่าอ ความกลัวหรือความโกรธที่ปัดยุงไม่ให้ตอมเป็นอกุศลใหม่ยเป็นเยู่ระดับความกลัวความโกรธเนี่ยแต่ว่ามันเป็นอคุสนที่เบาบางเมื่อเมื่อเชื่อกับความโกรธความกลัวที่อยากจะจนกระทั่งอยากจะตบมันนะแต่นี้เป็นแค่แค่ปัดไม่ให้มันมาตอมใจจริงเนี่ยเราไม่เป็นต้องทําด้วยความโกรธหรือความกลัวก็ได้ เราทํามีสตินะแล้วเราก็ปัดมันอันนี้ทําได้ทำด้วยความรู้ตัวเราก็ปัดมันแต่ทาด้วยอารมณ์การปรดัดการตอมนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายแต่ว่าชื่อว่าแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทํานั้นเนี่ยมันคืออะไรน ะ, ถ, ร ะ, ะนนนรถ้าเราทำด้วยความกลัวความกลัวอันนี้ก็เป็นธรรมบุศรแต่ว่าเบาบางแต่ถ้าเราทําด้วยความสึกเออไม่ได้โกรธเกลีย์อะไรมันเป็นแค่ว่าไม่ให้มันมา รบควนเราจำอย่มีสติอันนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้อันนี้จะมาไม่ใส่คงตอบไม่ได้นะการประบับแบบฝังเข็มเนี่ยคือบรรเทาโรคมะเร็งได้มากน้อยแค่ไหนตอบไม่ได้นะต้อมีความรู้เกิดความสามารถแต่ถ้าให้ตอบแบบคุ้มคุมก็คือว่าช่วยช่วยได้ อย่างน้อยก็ช่วยทำให้ใจไม่ทุกข์มากและยิ่งถ้าคุณเชื่อว่าฟังเข็มเนี่ยบรรเทามะเร็งได้เนี่ยเพิมมะเร็งเนี่ยจะขด ต, ตัวลงด้ซ้ำมันมีแคสเองนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับมะเร็งเป็นโรคภคิิสันภควิสันเนี่ยเป็ น, ปนโรคที่เกี่ยวกับการที่ว่า มันมีความผิวกระตินในยีนที่ทำให้เซลล์สมองเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่หลังสารมไม่ไม่หลังสารบางตัวเช่นโดพามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่ง น, นะมันก็ทำให้เกิดการสั่งพูดจาเนี่ยไม่ไม่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ เ, เป็นหนักมากเลยผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาได้ทราบว่ามันมี บริษาทห่ซึ่งค้นพบวิธีการรักษาแต่ยมีในระดับการทดลองหรือในระหว่างการทดล อ, อลวงลอวิธีคือคือวเขาจะเจาะตรงขมับหรือกระโหลกในสองข้างเพื่อที่จะเพื่อที่จะฉีดยาตัวหนึ่งเข้าไปเป็นโปรโตีนเป็นโปรโตีนที่ทำให้เซลเซล์กระสานเนี่ยมันสามารถจะหลั่งสารย่อยของเอนไซมีได้อีกเป็นการรักษาแบบที่เรียกว่ายี น, ยนบาบัด น, นะ คือไปไปแก้ที่ยีนเลยของเซลล์นั้นแล้วเขาหายนะเาหายในเวลาต่อมาทางบริษาทนี้ก็ประกาศว่าวิธีการรักษานี้เนี่ยเขาพบแล้วว่ามันไม่ได้ผล มันได้ผลพอๆกับการใช้วิธีการพลัสโบูเข้าใจไหมการใช้วิธีแบบวิธีการหลอกและวิธีการแบบยาเทียมยาหลอกหมอเนี่ยที่หมอที่ที่ที่รักษาเขาเนี่ยพอเขาได้ขา่ขาวมันกะ็ตกใจนะว่ามันรักษาไม่ได้แต่ก็แปลกใจว่าทำไม คนไข้เขาเนี่ยหายแล้วเ้ายิงแปลกใจเมื่อขึ้นเมื่อเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาคนคนนี้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรนอกจากไปเจาะหลุมตื้นๆลงในเจาะหลุมเล็กๆตรงสมองโดยที่ไม่ได้ให้ยาเลยเขา้าใจไหมแค่จเจาะเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ฉีดโปรตีนเข้าไปแล้วมันหายแดงไง คือหมอนี่ก็ไม่รู้เพราะมันมันเป็นการแบบทดลองแบบเขาเรียกว่าเาเรียกว่แบบเบิลบายคือว่าคนรักษาเนี่ยไม่รู้หรอกว่ายาว่าไการรักษาเนี่ยยาทึ่งให้คือมีทีทั้งให้ให้ทั้งยาแล้กวก็ไม่ให้ยาเพื่อเป็นเป็นคอนโทรลกุ๊บและหมอไม่รู้ว่าคนไหนเนี่ยที่ได้รับการรักษาด้วยยาแล้ว คนใครที่ได้การรักษาด้วยยาหลอคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ยาเลยเลยแต่เขาหายจากหายจากให้พากินสังังแปลว่าอะไรแปลว่าเขาหายเพราะความเชื่อคือพอเชื่อว่าได้รับการรักษาเนี่ยมันหายนะบางคนเนี่ยเจ็บข้อ การเจ็บข้อต้องผ่าผ่าแล้วก็ให้ยาแล้วเขามีการทานลองว่าสมมติว่าผ่าแล้วไม่ให้ยาเนี่ยหายไหมพราก็ว่าหายนะเลกอัตราการหายเนี่ยพอๆกับคนที่ผ่าแล้วให้ยาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้ น, นถ้าเชื่อว่าฝังเข็มแล้วบรรเท า, าเมล็ดได้เนี่ยอาจารยาทำอย่างนั้น เดี๋ยวอาจจะหายจริงในกรณีผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารกับเราได้เช่นเป็นเจ้าอินิรทราเรามีวิธีการสื่อสารอย่างไรก็สื่อสารตามปกติคุยกับเขาเหมือนเขายังรับรู้ได้มันมีตัวอย่างคนที่ เป็นผักเจ้อาอญิงนิชาคือผักชนิดหนึ่งนะแล้วพอฟือฟ้นขึ้นมานเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้เขาได้ยินคนที่พูดกับเขามันเคยมีการทดลองที่มีชื่อมากที่ที่อังกฤษนะก็คือเอาคนที่เป็นผักพอเกิดจากปุบติเหตุผักมันมีหลายแบบนะ เกิดจากอุบัติเหตุก็มีหรือว่าเกิดจากการที่เรียกว่าหยุดหายใจ่แล้วก็เลือนไปเลี้ยงสมองไม่พอพอหัวใจกลับมาเต้นใหม่เพราว่าสมองก็ตายไปแล้วไอ้แบบนี้ก็มือแต่ว่าคนที่เป็นผันกเพราอุบัติเหตุเนี่ยมันจะพื้นได้ง่ายกว่าถ้าเส้นสมองตตกหรือว่าหัวใจหยุดเต้นเนี่ยหนักนะ เขาก็หมอหมอคเนี้แกก็พูดกับคนไข้คนหนึ่งที่เป็นผักพวกปติเทศแล้วก็บอกว่าไหนคุณลองจินตนาการว่าคุณเนี่ยกำลังเดินรอบห้องแล้วจินตนาการคุณกำลังเล่นเทนนิสแล้วเขาก็สแกนสมองไปพร้อมกันใช้เขใช้ชื่อเ m r i ไนะไม่ใช่เครื่องสแกนแบบเอ่อซีจสแกนนีสแกนไม่ใช่เราใช้เอ็ ซึ่งมาสแกนแบบเรีเยลไทม์เลยแล้วก็ผลสแกนมาดูเนี่ยถ้าไปเปรียบ เ, เทียบกับคนทุกปกติอย่างพวกเราเนี่ยซึ่งได้รับคำสั่งแบบเดียวกันปรากว่าเหมือนกันเดียสเลยคือแยกไม่ออกว่าใครเนี่ยเป็นผักใครเป็นคนปกติเพราะว่าสมองส่วนที่ทํางานด้านภาษาเนี่ยมันสวาน่างสวา่างแปลว่าทํางานหรือได้รัการกระตุน้น สมองส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุกมกล้ามเนือ เ, เรียกพรีมอนเตอร์ฟอร์เท็ก r ์เนี่ยมันก็สว่างเหมือนคนปกติเลยเพราะนั้นเขาเขาแน่ใจเลว่าคนไข้เนี่ยรู้เรื่องและทาตามคำสั่งได้ไม่งั้นสมองส่วนที่เกี่ยวกรีมอเตอร์ฟอร์เซ์มันไม่ทางานหรอกใช่แต่เขารู้เรื่องแล้วเขาเขาทตามคนไข้หลายคนเนี่ยที่เป็นเป็นผ่าบริธ์ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาเขารู้ที่เขาได้ยิน มีคนนึงที่เป็นผักแบบเส้นสมองแตกสองข้างเลยนะซึ่งมันยากมากที่จะฟื้นแล้วก็ฟื้นได้จนฟื้นจนได้นะเขาบอกตอนที่เขาเป็นผักเนี่ยนะหมอเนี่ยมามาบีตรงนี้ เ, เ, น เ, เ, เขาเนี่ยเพื่อเช็คว่าเ้าเนี่ยปวดไหมคือถ้าปวดมันก็จะร้องไงใช่ไหมจะเชืเ่อเป็นผักหรือเปล่ามันก็เขาบอกปวดมากเลยอยากจะหมออ ย, อยากจะตะโกนบอกให้หมอเนี่ยหยุดทันทีแต่ก็พูดไม่ได้ ห, หมอเนี่ยพอเห็นเขาไม่ไม่ตอบสนองก็เลยบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยเป็นผักผักเรื้อรังหรือผักอะไรผักแบบท้าววอนแต่ว่าเขาฟื้นมาถึงได้แล้วเขา mm hmm. เขาเขาล่อยหฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทีเป็นผักเจ้าหญิงนิทรานเนี่ยนะเราต้องตั้สมมติฐานว่าเขารับรู้ได้แต่เดีนี้เนี่ยเขาพบว่าคําว่าคําว่าผักเนี่ย การที่มันเป็นมันเป็นคำมันเป็นคําที่กว้างมากแล้วก็ยากเพราะว่ามันมีก็พราว่ามีคนที่เป็นผักจํานวนมากเนี่ยที่เป็นอย่างที่อาจารย์มาว่าเนี่ยก็ยคือว่ารับรู้ได้บางคนเนี่ยแค่เมียเนี่ยเล่าเล่าเรื่องว่าเนี่ยฉัน ท, ทรมานยังไงบ้างเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เธอเนี่ยเป็นผักมาเนี่ยพอเมียเลาะพอเมียข่าครัวนี่นะคนไข้จะร้องไห้ และคนไข้าบางคนเนี่ยที่หมอเป็นผังเนี่ยพอเพื่อนมาคุยอ่ะคุยโจกอะ่ะวนล็อกวนล็อแต่ทาได้แค่นั้นนะดั้นก็เลยบอกว่าเนี่ย้คาว่าผังเนี่ยมันเป็นคําที่ยาก ม, มากเคยเคยมีเค ย, ยจะมีปร ะ, ประเภทคนไข้ชนิดหนึ่งนะซึ่งแยกออกมาจากที่เรียกว่าผักเนี่ยก็คือมินิมัลลี่คอนชีสเพชเ่นแปลว่าคนไข้ที่มีความความรู้สึกเล็กน้อย มีจิตมีการรับรู้ได้เล็กน้อยพวกนี้ได้ยินรู้เรื่องและบางทีตอบสนองได้เช่นร้องห้าหัวเราะนะเนาเหนื่อยจากการการตื่นการเปิดตาและปิดตาเป็นเวลาเนี่ยผักเนี่ยคือผักเนี่ยคือสว่างก็เปิดนะความืดก็ปิดทําได้แค่นี้แต่จริงๆเนี่ยรับรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปคิดว่าเขาเนี่ยนะเป็นไม่รับรู้อะไรและเมื่อเมื่อประมาณสีห้าปีเนี่ยมันมีเคสหนึ่งชื่อว่าชื่อเป็นคนไข้ชื่อเป็ น, น, ป น, ปนชาวเบลเยี่ยมชื่อรอมบูเดนอัตมารู้สึกกดเรียกถูกว่านะรอมบูเดนเนี่ยเขาเป็นผักแล้วก็ผักแบบงองเลยนะเพราะมันหลายปีเนี่ยแม่เขาเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมเชื่อว่ารูปเนี่ย ยังรับรู้อะไรได้นะแม่เขาก็พยายามเลี้ยงลูกเนี่ยพยายามพยายามเลี้ยงลูกจนกรทั่งแล้วพยายามดกับลูกตลอดเวลาจนทั่งผ่านไปยี่สิบปีเนี่ยเขาก็เอาเอาเอาเครื่องที่เรื่อเครื่องที่ที่อจารมาว่าเนี่ยเครื่องประสมองเนี่ยมาสแกน ซึ่งไม่ิบชีิช่าไม่มีแต่ตอนนี้มีเพราะว่าสมองของลูกเขาเนี่ยมันคล้ายๆคนปกติและต่ตนหลังเนี่ยเขาพยายามที่จะสื่อสารกับกับกับกับลูกเขาโดยการให้ลูกเขาเนี่ยใช้มือเนี่ยนะแค่ๆ่า แ, แต่เพื่อที่จะสังเคราะห์เป็นเสียงหรือเป็นคำพูดนะเป็นข้อความ ซึ่งก็ทำได้นะตอนนี้เนี่ยลูกเขาเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับกับกับแม่เนี่ยด้วยเครื่องนะเครื่องเครื่องอ่านสัญญาณนะนะแต่นี่มันก็ประมาณสีหปีแนละ้วแต่มาไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นยังไงนะนะแต่ว่าเราลองไปเช็คใน g ูเกิลนะรองบูเ็นเนี่ยอันนี้มันมันก็มันเกิดจากความรักของแม่รุนๆเลยที่เชืว่อว่าลูกเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผักก็คือว่า มันไม่ใช่เป็นร่างที่ไร้วิญญาณมันยังมีวิญญาณอยู่ใน น, นนั้นนะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นเมื่อสีหปีก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มั่นใจว่าเขารับรู้ได้อาจจะไม่ร้อเอร์เซ็เหมือนคนทั่วไปแต่เราก็พูดคุยสรรรื่อสารกันตามปกติอ่านหนังสือให้เขาฟังนะสวดมนต์ให้เขาฟังนะสวนก่อนนั่งสมาธิเชื่อว่าจะ จะมีคนดีกัเขาความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนั้นมีวิธีไปฝึกปฏิบัติได้อย่างไรความรักไม่มีเงื่อนไขคือเมตตาท่านเองนะเมตตาเนี่ยมันเป็นความรักที่ต่างจากสิทธิเนหะสิทธิเนะหะริศเนหาเนี่ยเป็นความรักแบบ เอาตัวเราเป็นศูนย์กลางก็คือความรักที่มันเจอได้วยกิเลยนะรักก็ต่อเมื่อเขาพูดดีกับเรารักก็ต่อเมื่อเขาเชื่อฟังเรารักก็ต่อเมื่อเขารักเราต่อรักก็ต่อเมื่อเขาทําดีกับเราไอ้ผูเนี้ยสิ น, นหานั่นนะนะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างแม่กับลูกหรือว่าสามีกับภรรยากไ็ได้ แม่เป็นบาทีรักลูกถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยดีเชื่อฟังพ่อแม่แม่แม่ก็รักลูกนะถ้าลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะจาสั่งให้เรียนไม่เรียนสั่งให้เรียนหมอจำเป็นเรียนอ่านิเทศเนียหรือไปเรียนครูเนี่ยนะแม่โกรธนะอันนี้ยัเป็นรักแบบมีเงื่อนไขคือรักต่อเมื่อเธอทำตามฉันเธอฟังฉันนะ แม้ ว, ว่าคำพูดมันจะทำด้วยความปรารถนาดีแต่มันเจอตะกินเลยก็คือว่าต้องเชื่อกนะูนะคือมันเป็นรักที่มีตัวคูเนี่ยแต่ว่ารักแบบไม่เงื่อนไขคือรักแบบเป็นเมตตาที่ไม่ปรารถนาผลตอบแทนนะและเป็นเมตตาที่ไม่มีการเลือกที่รักวัตถิชน์อย่างพูะเจ้าเนี่ยก็รักทั้ง มีแม่ตาทัางกับเทวทัศน์แล้วก็ลาวหุมนซึ่งเป็นลูกเนี่ยเสมอกันไม่ได้ต่างกันเลยนะแล้ยวย่าไม่มีเงื่อนไขทํายังไงแต่มาว่ามันก็เป็นเรื่องตัวกูนะคือว่า เ, เราฝึกด้วยการที่เวลาเราเวลาเราเวลาเราช่วยใครนะเราทําอย่างไม่มีเงื่อนไขเวลาช่วยใครเนี่ย ลึกๆเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยสำเนึ่ในบุญคุณของเราอยากจะให้เขาตอบแทนบุญคุณของเราหลายคนเป็นทุกข์มากเพราะว่าคนที่เตรอยชช่วยเนี่ยเขาไม่เห็นความดีของเราเขาลืมเราไปเลยบางทีแถมในรกคุณก็นเลยนะ อันนี้เป็นการรักที่ยังมีดังหวังผลตอบแทนนะซึ่งมันก็ลงไปถึงการทําความดีและอยากจะให้มีคนเห็นนะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคือมันเป็นเรื่องข อ, องอีโก้เรือัตตาหลายคนเป็ทุกว่าทําไมทาดีแล้วไม่มีใครเห็นความดีของเราเลยทําไมทําดีแล้วนะเขายังว่าเราทําดีแล้วรักเขาทำไมเขาไม่รักเราเนี่ยเอย้พวกนี้มันทําให้เราทุกข์ เป็นความทุกข์เพราะมันเป็นความมันเป็นความดีหรือความรักที่มันยังเจือด้วยกิเลสยังหวังผลตอบแทนยังมีตัวกูเป็นศูนย์การเพราะนั้นเนี่ยเราฝึกได้ด้วยกันเวลาเราทำสิ่งดีๆเช่นการให้ทานความช่วยเหลือเพื่อเฟื้อเนี่ยเราให้แบบไม่ต้องหวังผล เ, เวลาถวายอาหารพระ ก็ให้แบบไม่มีเรี่อยใหญ่หลายเขาว่าไงหลายเขาว่าถวายท่านแล้วเนี่ยท่านจะฉันหรือไม่ฉันก็เป็นเรื่องของท่านหลายคนเนี่ยเวลาถวายอาหารหลวงพ่อก็จะคอยดูว่าหลวงพ่อฉันอาหารของเราไหมถวายผ้าไปแลาหลวงพ่อคลองผ้าจีวรของเราไหนะถวายให้ท่านแล้วยจะเป็นของเรานะท่า น, นฉันอาหารของเราไหมอาของเราแปลว่าอะไรก็ยกยิ้มให้ยังให้ไม่เสร็จน้ำเนี่ย ให้เสด็จนะคืว่าอาหารเป็นของท่านแล้วไม่ใช่ของเราแต่และคนเฮ้ยทำไมลุงพ่อไม่กินอาหารของเราเลย <c oughs> ไม่นี้มีของเราอยู่ในแซววะอะไรยังไม่ยังมีเ ย, ย, ยื่อใยเนี่ยให้แบบไม่มีเ ย, ย, ยื่อใยคือให้แบบตัดเลยนะท่าจะฉันไม่ฉันเนี่ยเราไม่เดือดร้อนด้วยเพราะว่าเราให้ไปแล้วดูในเดินพีอื่นท่านแต่การให้ของเราเนี่ยถ้าเราให้เรายังดูว่าท่านจะฉันหรือเปล่าเนี่ย แสดงว่าเรายังหวังจะมีความหวังความหวังให้ท่านถ้าท่านฉันแทงว่าท่านเห็นความสำคัญของเราเรายังหวังผลตอบแทนแมาจะเป็นผลตอบแทนที่ดูไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้เลวร้ายเลยใจนี่มันมีความยึดในตัวกูอยู่เนี่ยคุณยังคุณจะให้โดยไม่หวัง่คุณให้การให้มันการให้นี่มัน เ, เป็นการให้มันเป็นการทำเพื่อปล่อยวาง เวลาทำบุญก็ทำบุญเพื่อประโยชน์ของผู้รับนะไม่ได้หวังว่าอะไรจะเกิดประโยชน์กับเราจะเกิดประโยชน์อะไรกับเราก็ไม่หวังเพราะว่าเราให้เพื่อรักตรงกับความมุ่งหมายของการให้ทางในพุทธศาสน า, าคือให้เพื่อลดความตึงหนให้เพื่อลดความปล่อยวางนะอันนี้คือประโย์ต่อประโยชน์ให้คือให้เพื่อช่วยผู้อื่น เนี่ยลองทาแบบนี้นะเวลาเราทำดีกับเพื่อนเนี่ยเราก็ทำดีแบนน บ, บไม่หวังผลเราแนะนำเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่สนใจเราก็เราก็ไม่ได้ทรอดอะไรเนี่คือความคือนี่คือวิธีการที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะรักแบบไม่มีเงื่อนไขก็คือว่าไม่คาดหวังผลตอบแทนนะปล่อยวาง น, นะความความป่าถนะที่จะให้เขา ชื่นชมดีๆสรรเสริญเรารวมทั้งแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้กับคนที่ให้กับคนทั้งหลายและไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำดีกับเราคนที่ทำไม่ดีกับเราเราก็แผ่เมตตาให้เขานะคนที่คิดคิดร้ายเราบุ่งร้ายเราเรานึกถึงหน้าเขาในในมโนสานึกเราก็แผ่เมตตาให้เขาไป ถ้าเราสามารถที่จะผายเมตตาให้กับคนที่เขาหลังแกเราเอาเปรียบเรานะอันนี้แหละที่ไม่ทําให้ความรักแบบนี้มีเงื่อนไขเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็คือว่าไม่ว่าเป็นใครแม้ทําำไม่ดีกับเราอันนั้นก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะทําให้เราไม่รักเขาการมีสติที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ไปโกรธเก ล, เลียดคนที่เขา หลังแกเราต่าว่าเราเนี่ยก็ช่วยได้ทําให้เราเนี่ยสามารถจะรักเข้าได้อย่างอย่างเต็มสุดใจอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่เราสามารถฝึกได้ใ น, นชีวิตรประจำวันและแน่นอนนะถึงที่สุดแล้วเนี่ยการที่เราทําสมาธิภาวนาะจนระทั่งทำวิปัสสนาจนระทั่งมันไม่มีตัวตนหลงเหลือเลยเนี่ยมันก็แน่นอนเลยนะว่าเป็นความรักแบบที่มีเงื่อนไขจริงเพราะว่าความมีตัวไม่เหลือแล้ว มันจะมันจะนึกถึงผู้อื่นตลอดเวลานึกถึงในความหมายที่ว่าเมตตานะแต่ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องช่วยคนรแลเขาจะต้องหายช่วยเขาแล้ต้องค้นทุกข์นะเราไม่มีความหวังแบบนั้นไม่สนใจผลแต่ว่าทําเห็นเต็มที่ด้วยความรักความเมตตาการไปเป็นจิตอาสาเนะี่ย ช่วยคนที่เราไม่ได้รู้จักมัจจิเลยเนี่ยก็เหมือนกันนะเป็นการช่วยเสริมสร้างความรักแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ก็ต้องระวังนะต้องมีอุดเบกขาดเพราะว่าช่วยไปช่วยไปก็เกิดความผูกพันพอเขาตายขึ้นมาโอ้เสียใจใช่ไหมอันนี้แถวไม่มีเงื่อนไขยอยู่นะคือมันเป็นความรักที่แเราเร า, เร า, เรามีความปรารถนาอยากใจ้เขาหายนะต้องมีอุดเบกขา วันนั้นใ น, ในพุทธศาสนาเนี่ยคว่าเมตตาลงเิกขาเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดธรรมเดียวกันนะผมวิหารสิ่นะมันไปช่วยทำให้ความรับกับเงื่อนไขไม่มีเงืเ่อนไขเนไปได้แล้วก็ไม่ก่อบลร้ายแก่เราเอา ง, ง่ายๆก่อนหลงว่ารู้เป็นอย่างไรและวิธีตรวจสอบเป็นอย่างไรเช่นว่าหลงว่า หลงว่ารู้ธรรมแล้วเนี่ยรู้ธรรมะาแล้วใช่ไหอันนี้ก็เกิดขึ้นได้กับคนที่เขาเขาปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นสีเห็นแสงนะหรือว่าเขาเกิดจินตยาม น, นะคนเหล่านี้เนี่ยจะเชื่อตัวเองเนี่ยรู้แจ้งนะนะหรือว่ารู้ธรรมะไอ้ความหลงแบบนี้เนี่ยบางทีก็รู้ทันยากนะ เพราะว่ามาเป็นความรู้ที่พิเศษมากเลยแล้วก็และอันนี้มันก็สแสดงให้เห็ น, หนอุบายของความหลงว่ามันฉลาดมากความหลงที่มันฉลาดมากนัมันพยายามจช่วยโอกาสเข้ามาที่ครองจิตเราตลอดเวลาแม้กระทั้งเวลาเราปฏิบัติธรรมเพื่อจะรู้ตัวมันก็แอบซ่อนเข้ามาทำให้เราหลงใช่ไหมตรงนี้หลวงพ่อของเขียนท่านท่านมีหลักนะ ซึ่งใช้ได้ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเริ่มต้นจนถึงจนถึงขั้นแอดวานเะนี่ยก็คือเห็นอยากเข้าไปเป็นนะเวลามันเกิดฝักสนูขึ้นมาเนี่ยเกิดนิจอะไรขึ้นมาแก้เห็นเฉยๆอยาก เ, เข้าไปเป็นแค่ดูแค่รู้เฉยๆนะอันนี้ทำให้ไม่ไม่ไปหลงไม่ไปหลงว่ารู้นะ อย่างที่เป็นอย่างที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปที่ปฏิบัติแล้วก็ตกกับดักของการปฏิบัติกนะารมีสตนะิจะช่วยทำให้เราเรู้แต่บางทีมันก็ยากนะในชาวพุทธการยังมีภาพบางรูปเนี่ยเชื่อตัวเป็นพระอรหันเนี่ยนานถึง4ี่0ิ้าสิปี จนรทั่งวันหนึ่งเนี่ยเดินทุงดงในป่าแล้วช้างป่าไล่วิ่งป่าราดลยถึงตอนนั้นก็เลยรู้ว่ากูยังกูจุชนเหบกรัวนะโอ้โหหลงว่ารู้นี่สี 40, 50, นน่สิบห้าสิปีนี่เสียด้เวลามากนแต่นี้ก็แสดงเห็นว่ากิเลสมันฉลามากมันสามารถที่จะลวงเราเนี่ยให้เราหุดปฏิบัติเพราะคิดว่ารู้แจ้ง การมีการยันนี้ไม่ช่วยได้เยอะนะหรือการที่เราตรวจสอบอย่างภาพบารุมเนี่ยท่านคิดว่าทำเป็นภาพรหัสเนี่ยแล้วก็ท่านไปตักช้าท่านเห็นศพผู้หญิงเนี่ยท่านเกิดราคะท่านไวเี่ยพอท่านเหน า, าคะท่านท่านรู้เลยว่านี่เราไม่ใช่ก่อนหน้านั้นเนี่ยหลงเที่อตัวเองบรุธรรมมาตั้งนานเพราะว่าจิตมันนิ่งมากแต่พอเผลอเนี่ยมันเกิดราคะขึ้นมารู้เลยว่าเราไม่บรู้ สติที่ไวเนี่ยมันจะทำให้เห็นตรงนี้นะแต่บางคนเนี่ยพอมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยคนที่ไม่ซื่อตรงกับตัวเองเนี่ยจะจะไม่ยอมรับจะไม่ยอมรับคนที่ไม่ซื่อตรงกับตัวเองเนี่ยเพราะมันยอมรับไม่ได้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์โอ้โหมันแต่การเดียวกันไม่ต้องซื่อตรงกับตัวเองมันถึงจะ สามารถที่จะเอาชนะตัวหลงหรือว่าไม่ถูกตัวหลงเนี่ยมาลองได้นา ผ, นผู้ป่วยควรวิธีดูแลผู้ป่วยควรจะตามแต่ผู้ป่วยหรือควรจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเช่นผู้ป่วยเป็นเบาหวานเกลียกินทุเรียนควรจะให้ทานตามใจผู้ป่วยหรือไม่ให้ทางจริงๆมัน มันอยู่ที่ท่าทีนะศาสนาตมานี่ที่ท่าทีถ้าคุณไม่ให้ไม่ให้ผู้ป่วยกินทุเรียนน่นะด้วยการการมีท่าทีที่ที่ไม่ใช่การบังคับชนะี้แจงเข้าใจนะแล้วก็รู้ทันอาัตราของตัวเอง มันคนเสียจะเกิดน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดปัญหาระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยเพราะผู้ดูแลเนี่ยก็ปรารถนาดีกับผู้ป่วยแล้วก็ยึดมั่นในความปรารถนาดีนั้นมากจนกระทั่งโกรธนะเวล า, าผู้ป่วยเนี่ยเขาลบเราลมเ ร, ราจะกินบางทีแอบกินด้วยนะ หรืออาบสูบบุรี่แต่มาเป็นมะเร็งปอดอาบสูบบุรี่โกรธนะล่อยครั้งในความขัดแย้งระหว่างผู้ดูแลผู้ป่วย เ, ยเกิดขึ้นเพราะผู้ดูแลเนี่ยยึดติดในความปรารถนาดีของตัวนะและพอผู้ป่วยเนี่ยไม่ทํไม่ทตามที่กูแนะนำมันจะมีตัวกูอยู่นะจะโกรธขึ้นมาซึ่งก็เป็น เป็นเรื่องเดียวกับที่แม่เนี่ยโกรธลูกนะแม่ปรารถนาดีกับลูกแต่เขาลูกไม่เชื่อแม่ก็โกรธลูกพอลูกโตขึ้นนะแม่ป่วยแล้วก็ลูกก็มีท่าทีแบบเดียวกันลูกก็โกรธแม่นะมันทะเลาะกันความปรารถนาดีของลูกแล้วผู้ป่วยคือพ่อแม่แม่ทําตามลูกก็ว่าแม่ลูกก็ว่าพ่ออยากตายหรือไง สูบบุหรี่อสูบบุรีเงี้ยความทุกข์มันเกิดขึ้นให้จะมาเพื่อต้องระวังนะการการสร้างความทุกข์ให้กับคนที่เรารักในงานของความปรารถนาดีเนะี่ยเราเชื่อเราปรารถนาดีกแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องของอัตตาเราการเรื่องที่เขาไม่ทําตามไม่ทําดีอย่างที่เราอย่างที่เราเห็นอย่างที่เราแนะนําอย่างที่เราคาดหวนะัง แต่มัยคิดว่ากินแล้ไมกินทำไมที่ชาติชนะีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าว่าเขาเราเราอยากจะกินเรสนอทุกเรียนก็ให้เขาบ้างนะให้เขาบ้างขอได้ชิมนะขอได้ชิมและบางทีเนี่ยถ้าเขาเราเรามากๆอยากกินมากๆก็เราให้เขาอลองให้เขาได้กินดูและเขาให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ว่า กินมากๆแล้วเนี่ยพอไข้ขึ้นหรือพอป่วยหนะักให้เขารู้ว่าเนี่ยเป็นเพราะเขากินนะแล้วเขาจะตัดสินใจได้ว่าต่อไปจะกินอีกหรือเปล่าใช่ไหมคือถ้าเราไม่ให้เลยเนี่ยนะเขาก็จะโกรธแล้วพอเ้าดา่าเราเราก็โกรธแล้วเราก็เผลอด่าเขาเนี่ยความขัดแย้งระหว่างพอ่อระว่คนป่วยกับผู้ดูแลเนี่ยมันเกิดจากความปราชญ์ดีแต่เป็นความยึดในความปราชนาดีของคููอ่ะ ต้องระวังก็งมีสติคนเราทำร้ายการนาความปรารถนาดีเนี่ยมันเยอะแล้วนะแล้วบางทีเนี่ยมันกลายเป็นความรุนแรงนะมีพ่อคนหนึ่งนะแกมีปัญหากับลูกชายวัวยรุ่นพ่อคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมชอบเข้าวัาแกเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยนะ สีนี่แกก็เท่งครับแต่ลูกนี่อายุสิบห้าสิบปศืดที่จริงก็ไม่ได้แย่เลยนะยงเล่ายาก็ไม่ติดนะแต่ดือวัดว า, วาอารามไม่สนใจพ่อแม่พ่อแม่แมสั่ามาทำอะไรก็ดืดนะมันก็ราหองระแหงกันเรื่อยมาวันหนึ่งเนี่ยลูกเนี่ย ขอยืมรถพ่อเนี่ยบอกว่าจะไปบ้านเพื่อนตอนกลคืนพ่อไม่ให้แต่ลูกแอบเอารถไฟพ่อโกรธมากนไปที่บ้านเพื่อนของลูกไปลากลูกกลับมาแล้วก็ดา่าทะเลาะกันแล้วก็เริ่มมีการพ่อเนี่ก็เริ่มจะใช้กำลังลูกก็สู้พ่อเนี่ย เห็นปืนเอือใกล้พ่อคว้าปืนมายิงลูกตายพอโดนลูย่ยิงลูกตายโหคนธรรมะธรหมดยิงฆ่าลูกตายมันทนไม่ได้นะ ย, ยิงเดินตายเดือนทั้งหมดนี่เริ่มเริ่มที่ความปรารถนาดีนะพ่อปรารถนาดีกับลูกแต่ลูกเนี่ยมันไม่เชื่อพ่อมันไม่ดีเหมือนพ่อนะมันไม่ทำตามคำแนะนำที่พ่อบอกโกรธ แล้วก็พอโกรธแล้วก็ดา่าพอด่าแล้วไอ้ฝันก็โต้ยิ่งโกรธก็ยิ่งใหญ่จากโกรธกลายเป็นเกลียดพอเกลียดแล้วเป็นไงมันต้องจัดการแค่คนธรมธรมะทำโมนี่บางทีต้องระวังนะเพราะว่าความความยึดติดมันจะแรง ย, ยึดติดให้ลูกใหญ่ดีเหมือนพ่อหรือดีดีตามทําดีตามที่พ่อแนะนำงั้นกลับมาดูใจเราเนะว่า เพียงแค่ความปรารถนาดีไม่พอนะเพราะควาปรารถนาดีแต่ถ้าทําไปด้วยความทิพนถือมันก็สามารถจะนำไปสู่การเบียดเบียนทาร้ยายกันและกันไนดะ้ดังเรื่องของเรื่องเรื่องของคําถามเนี่ยมาเพื่อมันกินหรือไม่กินไม่สําคัญเท่ากับท่าทีถ้าบังท่าไม่เค้กินเนี่ยนะแต่ว่าอาจจะตามไปด้วยความเล้าวฉาน อาจจะไม่ดีก็ได้ใช่ไหมกินแต่ว่าออต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันอาจจะดีสะกว่ายเพราะนั้นจังหวัคิดว่ า, าให้เราลองมาดูที่ท่าทีโดยเพราะฝ่ายผู้ที่ดูแลนะซึ่งเต็มไปด้วยความปรารถนาดีและความรู้ทำยังไงถึงจะให้คนไข้เขาเข้าใจหรือว่าเขายอมรับ แล้วใครจะกันเราก็ต้องเขา้าใจเขาด้วยว่าบางทีคนป่วยเนี่ยนะเขามีความทุกข์มากแล้วคนเราความความสุขสิ่งที่จะช่วยความสุขของคนเราบางครั้งเนี่ยคนป่วยนี่มันไม่มีไม่มีช่วงเวลาที่จะมีความสุขนะมีแต่ความทุกข์แต่ความสุขอของคนของคนป่วยเนี่ยจำนวนไม่น้อยความสุขเขาอยู่ที่ ได้กินอร่อยอะไรอร่อ ย, ออยถูกปากสักหน่อยขนาะเราหลักขณะเราปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรมรมจนปฏิบัติธรม ร, รมมันทำเกื่อนธรรมมากนี่เราเบือเลยนะสมัยตะวันตกปฏิบัติใหมา่นะมันรอมันรออยู่ช่วงมันรออยู่ช่วงสองอย่างมันรออยู่ช่วงสองเวลานะเป็นช่วงกินกับช่วงนอนคือความสุขของเรานอกนั้นเนี่ยโหเบือนายเรื่อยรอแค่นี้แหละรอเมื่อไี่ได้กิน ก็รอเวลานอนเพราะว่าพอได้กินเนี่ยเออสุดมันก็ชุ่มกระชวยขึ้นชีวิมันมีสีสันมากขึ้นแล้วคนแก่นนะคนป่วยเนี่ยมันมันยิ่งกว่าเรานะคือชีวิตมีแต่ความทุกข์อ่ะคนเราต้องการมีความสุขบางแล้วความสุขของคนของคนแก่นะคนป่วยบางที่ก็มีแค่ได้กินอะไรที่มันถูกปากพอทําให้มันรู้สึกเบิกบานใจใจมันฟูขึ้นมาหน่อยนะอนนี้เราเข้าใจคนที่คนที่ดูแลต้องเข้าใจคนป่วยเนี่ยเขา เขามีความทุกข์แบบนี้ให้อะไรที่มันเป็นสีสันบ้างนะับชีวิตเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยพอจะทนกับความทุกข์ที่ต้องนอนอยู่บนเตียงติดเตียงว่าความทรมาน ก, กับโรคจากโรคได้นะลองเข้าใจคนคนเปิดนี้บ้าง น, นะเราอาจจะเข้าใจทใําไมเขาเรียกร้องนั่นแหละกินเอ้ยข้าวเหนียวถั่วเรียนหรือว่าข้าวเหนียวมะม่วงนะหรือว่าแม่สุบรีนี่ไง อันนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจกันนะอย่างที่เรามาบอกเนี่ยบางทีคนไขแบบ้กับคนกับกับลูกเนี่ยผู้ดูแลเนี่ยเรามีความหนุนย้ายไม่เหมือนกันความต้องการไม่เหมือนกันคนดูแลเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยและอนามัยของคนไข้แต่คนไข้ก็ต้องการเป็นตัวงตัวเอง การที่เขาอยากจะได้กินอะไรที่ชอบบ้างก็เป็นการแสดงออกของความอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างเป็นตัวของตัวเองอันนี้ก็ต้องพยายามาทางถ้าเข้าใจแต่แรกเนี่ยมันท่าทีที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็จะก็จะก็จะเปิดไปอย่างราบรื่นไม่ขัดแยง้ง ทำอย่างไรจะลดอัตราการยึดมั่นในตัวเราของเราให้ทําใจให้ได้ไม่ยึดติดกับวัตถุหรือคนรักมากเกินไปเมื่อกี้จะมาพูดถึงเรื่องการการฝึกปล่อยวางในรูปของการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นนะอันนี้ก็มันก็ช่วยลด ก, การปล่อยวางเรื่องอัตราได้เราต้องสังเกตว่าเรายึดอัตราในลักษณะไหนนะ เราอยากให้คนชมเราเราเราติดติดในภาพลักษณ์ของเราเวลาเราพอเรารู้ว่าเราเรามีความยึดติดอัตตาในรูปลักษณะใดเนี่ยก็จะไปตามใจมันมากในส่วนนั้นเช่นอย่าให้คนชมคนเราเนี่ยนะเวลาทําความดีหรือว่า ประสบชัยชนะความสำเร็จเราก็อยากจะประกาศให้โลกรู้ถ้าเรารู้ว่าเราติดตรงนี้ติดในเรื่องของคาชื่นชมสรรเสริญเนี่ยเราลองหักห้ามใจไม่พูดไม่ประกาศไม่นะไม่บอกนะอมันจะอัดอั้นตัดใจมากเลยนะคนที่อยากจะให้คนเนี่ยชมเราเนี่ยนะและเรามีดีแล้วเราเรา เราพยายามไม่บอกว่าว่าเรามีคนชมเราอย่างนี้เราได้รางวัลอย่างนั้นเนี่ยนะแต่ว่าหมาๆเนี่ยมันจะอั้นแต่ว่านานาๆปานาไปลาเนี่ยมันจะทำได้ง่ายขึ้นและนี่เป็นวิธีการที่จะลดตัวอัตาบางทีเราอยากจะประกาศโลกบให้โลกรู้ทางเฟซบุ o กนะก็ บางอย่างก็ไม่เป็ต้องประกาศก็ได้ดังนั้นที่ข้างในผนมนอยากจะบอกากินะมาปไปปฏิบัติธรรมนะหนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์อยากจะให้รู้คนจะได้เห็นว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็เก็บไว้ไม่พูดนะไม่ขึ้นเฟซนะหลายคนเนี่ยบางที เ, เขาอยากประกาศให้รู้ลลนะ แต่ว่าก็อาจจะพูดว่าเออเอาบุญมาฝากนะฉันได้ไปทําบุญที่นั่นแต่ลึกๆอยากจะประกาศให้หลงด้วยกูมาทำบุญด้วย <c oughs> อ่าเราก็ไปทํำอย่าไปเนี่ยนี่เป็นวิธีการนะ <c oughs> บางทีเราติดในรูปร่างหน้าตาของเราน ะ, <c oughs> ะเราไม่ลองไม่ลองไม่แต่งตัวดูบ้าง <c oughs> ออกไปข้างนอกก็ไม่แต่งตัว <c oughs> ไม่มาๆเจ้าสุดไม่ไม่ไมค่อยมั่นใจ แต่ว่าต่อไปเนี่ยมันจะวานได้ถ้าเรา น, นี้รักษาิศสายที่อยากจะยึดเป็นของเรา เ, เราก็แก้ทิศสายนี้ด้วยการให้การที่พระเจ้าเนี่ยถือว่าทา น, เ, นเป็นการทำความดีข้อแรกเป็นบารมีข้อแรกบารมีเสร็จก็เริ่มต้นที่ทานทศทศวิริยธรรมก็เริ่มต้นที่ทานบุญกิริยวัตถุสิทปการก็เริ่มต้นที่ทาน นะสังฆาวุธุสีก็เริ่มต้นที่าทานเอ็นทานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะให้ความสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นเครื่องลดละความยึดติดถือมากในตัวตนอย่างหนึ่งคนเราธรรมชาเนี่ยากจะเอาการให้ทานเนี่ยเป็นการทําให้ธรรมชาติส่วนนี้มันมีที่ผลต่อเราน้อยลงกลายเป็นผ้าอยากจะให้ อันนี้ก็เป็นเป็นวิธีเชื่อช่วยลดัะตัวตวนได้นะในซึ่งมันมาในรูปรักษ์หลายลักษณะนะบางทีเนี่ยอันหนึ่งที่ที่คนจะรู้สึกว่ามาันลบกวจิตใจมากแต่มันเกิดจากการที่คิติในตัวตนสูงก็คือว่าทนฟังคําวิจารณไม่ได้นะทนฟังคําวิจารไม่ได้ แม้รทั่งคำแนะนำอย่านี้เป็นมากนะก็ต้องฝึกนะว่าเออเราจะพยายามหากห้ามใจให้ให้มั่นคงไม่หนักไม่ไม่หวัน่นไหวกับคำวิจาร์เราจะเปิดใจรับคำวิจาร์แล้วก็พยายามนึกนะอย่างที่ เจ้าของเมืองโบราณนะเล็กวิเลียมพาร์ผู้ขอตั้งวิเลียมประกานใครผู้ตะวัวันไหนไม่ถูกตาหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลวันไหนไม่ถูกตําหนิวันั้นเป็นมงคลวันไหนถูกตาหนิวันนัน้ น, นเป็นมงคลนะก็คือทําให้เราได้เห็นว่าเรามีข้อผิดพลาดอย่างไรบ้าพยายามมองหาข้อดีของคําตําหนิมาช่วยทําให้เราเนี่ยวันไหวต่อคําตําหนิน้อยลงแล้วก็ทําให้ อัตราเราเนี่ยเบาบางมากขึ้นนะลองใช้คำตำหนิเนี่ยนะหรือบางท่านคำดูด่าว่าก่าเนี่ยเป็นเครื่องขัดเก่ากินเล็ลดละอัตาชนิดหนึ่งวัดทำกองเพลสมัยหลวงปู่ขาอนารโยนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีแม่ชีคนหนึ่งอุปถัมภ์พระเนยดีมากเลยแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ดีนะตัวหลวงปู่ขาวชมเลย วันนึงลูกูขาเนี่ยสั่งให้พ้าสองรูปที่เป็นลูกศิษย์ไปด่าแม่ชีสาทั้งสองรูปนี้ก็งงนะให้ไปดา่าเขามาแต่ว่าพระเรา ก, ก็ไม่เคยเท่ากูปาจารย์สามก็ทานะไม่ถามอะทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันก็นกคือสั่นหาคำด่ามาไปที่ไป่กุฏิแม่ชีสาเรียกแม่ชีสามาแล้วก็ด่าเลยสองคนพักกันดา่านะ ไดสิาที่เนงงนะแต่ว่าตั้งสติได้ก็เป็นมือฟั ง, งด้วยกันด้วยจิยสตสงบนิ่งทั้งสองท่านดา่าคุณลาเลยละหยุดนะเหนื่อยได้ยิษาแทนที่จะโกรธนะแทนที่น้อยใจโอู้บาอาจารย์มาดา่าเราเราอึกษาหําดีทาไมูบาอาจารย์ไม่เห็นความดีของเราแล้วถ้าเกิดเขารู้ว่าใครเขารู้ว่าเราถูกด่าเนี่ยจำหน้าสุว้ทหนไม่มีเลยนะไม่ยิษาไม่ยิษาพูดขึ้นเลยพูดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ดุด่าเสร็จแล้วเหรอ ดิฉันฟังแลทราบซึ้งใจเหลือเกินเสียงธรรมนี่เป็นเสียงเสียงดาง่าเป็นเสียงธรรมทั้งนั้นเลยเขานานที่หมดมาด่าบ่อยๆนะกิเลสกิเลสมันจะได้หมดสักทีกิเลสจะได้หมดสักทีเนี่ยเป็นเครื่องรถอัตราเนี่ยคือว่าเปิดใจรับคาําด่าอาศัยคําด่าเนี่ยมาช่วยรถอัตราตัวตนนะลดกิเลสไหวไหมแบบเนี้ เอาริ but, ่มต like so ้นได้ว like. no like, like. ่าทำใจเป็นปกตินะเวลาโพสอะไรทางเฟซบุ๊กแล้วใครไม่กดไลค์ก็เฉยเฉอย่าไปทุกเวลาไม่มีคนกดไลค์นะเดี๋ยวนี่แค่ไม่กดไลค์ก็ทุกแล้วเพื่อนเพื่อลูกเพื่อนนะพอเพื่อนไปกดไลค์นี่โทรไปไลา์ไปบอกเพื่อนให้ช่วยกดไลค์หน่อยตามมาเลยนี่นะเนี่ยวิธีนะฝึกเนี่ย แล้วก็เวลาเราปรารถนาดีกับใครเราช่วยใครแล้วเขาไม่เขไม่เห็นความดีของเราเขาลืมลเราก็เออก็ดีบอกขอบคุณเขาขอบคุณที่เขามาฝึกอัตตาลดละตาเราเนะพราะเราทาําคำดีกับใครเราก็อยากให้เขาเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาจดจำเราไปช่วง ก, ก, ก, ก, การลนะการละภาษนีใช่ไหมเขาลืมเราก็ดีเหมือนกันนะการไม่ยึดถิ่ในวัตถุก็บอกแล้ว ไม่ยึดติในคนรักมากเกินไปนะก็ลองเติดใจเรื่องของอ น, นิจจังทุกขังนักตายบ้คนรักคนนั้นคนที่เรารักเนี่ยเรายึดติด น, นี่ก็ลองเติดใจว่าเนี่ยโดยเพราะมันมีคําพิจารณาบทพิจารณาบทมุทิยสมาชอบมากเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลดเพิ่มความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดความเจ็บไข้ไปไม่ได้เราดูความตายเป็นธรรมดาจะลดลดความตายก็ไม่ได้เราจะต้องพักพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นอันนี้ถุอนคนรักด้วยลองพิจารณาว่าสักวันหนึ่งแม่ชาโก็เร็กเขาก็ต้องเราก็ต้องตายจากเขาหรือก็ต้องตายจากเราหรือว่าจาับไม่ถ้าไม่จับเราก็กจับตายหรือคิดไปหนครั้งว่า วันนี้รักกันหวานชื่นวันหน้าอาจจะจืดจางก็ได้อะไรอะไรก็ไม่แนนะ่เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปนะในในในในชีวิตประจำวันในจากที่เราได้อ่าข่าวตามสื่อมวลชนเนี่ยเราพิจารณาเรื่องอันนี จ, จังนะมันทำให้เราเนี่ยยึดติดหรือมั่นในคนรักของเราน้อยลง อันนี้ก็ตอบไปแล้วนะจะมีวิธีการฝึกปล่อยวางอย่างไรบ้างระหว่างการเดินทางไกลในการภาวนาในช่วงถูุพักเบื่อเราจะมีวิธีบูตตัวเองขึ้นมาให้มีกำลังใจและเพียนเดินทางอย่างไรบ้างพยายามปลูกฉันทะ เวลาเดินทางเนี่ยถ้าเราไปรอจุดหมายปลายทางนี่เราจะเหนื่อยนะเหนื่อยใจเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเราควรจะวางจุดหมายปลายทางลงแล้วก็หันมาชื่นชมนะความงามสองขั้นทา ง, างอาจารย์ประมงเพ็ญจันทเนี่ยนะท่านเคยเล่าว่าสมาที่เริ่ม Uh, ออกเดินออกเดินออกเดินเท้าเนี่ยจากเชียงใหม่ไปไปกระบีเนี dedans, ่ยเกือบสองเดือนเนี่ยมีช่วงท่านเดินไปที่เขาอะไรนะที่เชียงใหม่ลอยไม่ใช่ลอยลอยนะลอยลอยที่สูงสุดอันตรายถนนไปถนนการเดินของอาจารย์การประมวลเนี่ย จะไม่ขออาหารใครไม่ติดเงินไปแม้แต่สเสลือเดียวตอนที่เดินไปนี่นะเดินพึ้ไปถึงยอดเนี่ยก็เห น, นื่อยล้าเนื่องจากได้กินอะไรมาเลยก็เป็นลมนะเกิดจะถึงแล้วมีคนดูดรถรับไปที่ยอดลอยถนนแล้วก็ขอได้ให้น้ำให้กินน้ำให้อาหารก็เริ่มเริ่มดูมมแลอยู่บนต้นทียสัมภักก็ลงอ่ ตอนทีลงมาอาจารย์ประมวลบอกว่าธรรมชาติสวยงามมากเลยยูทีทั้งนวดงาน ม, มากจิตใจสุขชื่นบาาและรัฐนั้นเนยเขได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อก่อนขาขึ้นแล้วก็มาเส้นนี้เนี่ยเราก็เดินเส้นนี้ทําไมเราไม่เห็นเลยถือถือทัททนเพราะอะไรเพราะจิใจยึดถึงจุดบ่ายใจพิจารณาจุดหมา ไม่เห็นเลยนะความสวยงามสองข้างทางแต่พอขาลงเนี่ยใจเนี่ยมันใจเนี่ยกเลยขึ้จุดหมายก็เลยได้เห็ น, นเกิดสองข้างทางการเดินทางไกลหลายคนเนี่ยใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับจุดหมายปลายทางลืมเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางการดาเนินชีวิตการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะอย่าไปจดจ่ออย่าจุดหมายปลายทาง ทุกขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราสามารถพบความสุขความสงบได้แต่และคนไม่สังเกตเพราะว่าใจเนี่ยคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเพราะนี่ไม่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ไม่ต้องหยุดพักก็ได้ทําไปเรื่อยๆจิตใจยอยู่กับปัจจุบันนะ แล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขในทุกขณะที่ปฏิบัติโดยเพราะความสงบและยิ่งถ้าคุณมีฉันท่าในการปฏิบัตนะินะฉันท่าคือความชอบนะทำเมื่อไหร่ก็สุขเมื่อ น, นั้นไม่ใช่ว่าสำเร็จแล้วจึงค่อยสุขแต่ว่าสุขทุกขณะที่ทำอันนี้เพราะามีฉันท่านำพาปลูกฉันท่าในการปฏิบัติ แล้ว ก, ก็จะมีความสุขทุกขณะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราวางใจยอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็มีชัท่าในในในสิ่งที่เราทำเนี่ยแต่ลักษณะกับลักษณ ะ, ะมันจะเป็นการพักแล้วก็เป็นการเรียกว่าเติมเติมพลังให้กับเรา เราะคนเรจะทําอะไรต้องมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะธรรมะมีความเชื่อแบบนี้จะทําอะไรคนจะมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคือวความสุขที่หล่อเลี้ยงเป็นความสุขที่ประณีตและความสุขที่ประณีตคือความสงบนั่นเองความสงบแต่อย่าไปอย่าไปคาดหวังความสงบจากการที่ไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจแต่เป็นความสุบที่เกิดจากการวาง วางนะมีอะไรมากระทบรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางคุณจะรู้สึกว่ามันไม่เหนือ่ออันนี้ใช้กับการทำ ง, งานก็ได้นะมีอาจารย์เซนมึนะชื่อชุมยิวสุสุกิแต่เป็นคนที่สร้างวัดเซนแห่งดนงในอเมริกาเมื่อผกสุบ ป, ปีที่แล้ว ตอนที่สร้างก็อายุหกสิบแล้วคนญี่ปุ่นสมัยก่อนปออูนเล็กเวลาสร้างวัดนี้ก็ต้องแบกหินแบกเสาเองแต่ว่าโชคดีมีลูกศิษย์ช่วยลูกศิษย์เปชาวอเมริกันอายุสิบเก้ายี่สินทั้งนั้น 19, 20, สมัยนั้นพวกพวกนี้เริ่มทัามาสนใจเรื่องของจิตอิญญาณลูกศิษย์ก็มาช่วยขนช่วยกันแบกเครื่องหามเสาทำไปได้ครึ่งวันก็เหนนะื่อยแล้ว อาจารย์ชุนเดียวทำทั้งวันลูกสิษแปลกใจอาจารย์ชุนเดียวตัวเล็กแล้วก็อายุมาก60แล้วทําไมทําได้ทั้งวันถามอาจารย์อาจารย์ตอบก็บอกพักกลอดเวลาเนี่ยเนะข้าใจไหมลูกศิษย์วงนี้อาจารย์ทําทั้งวันบอกว่าพักตลอดเวลาไงคืออาจารย์เนี่ยนะตัวเนี่ยแตกหินแต่ใจเนี่ยวางเข้าใจไหม ไอ้ที่พักต่อราคือใจไม่ได้แบกอะไรนะแบกตัวเนี่แบกเสาจะใจไม่ได้แบกอะไรเยไม่ได้แ บ, แบกอะไระทั่ความคาดหวังนะเนี่ยปฏิบททัติทำเนี่ยนะมันน่าจะเบากว่าแบกหินนะเพราะว่าเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยใจอย่ไปแบกอะไรแล้วคุณแบกแล้วคุณเหนื่อยแล้วคุณเหนื่อยมุ้ต้องการพักพอพักเสร็จก็ต้องการมุ้งนะใจเนี่ย ไม่แบ่งอะไรเลยแต่ขณะเดีกันก็เก็บเกี่ยวความสุขในแต่ละขณะ ข, ของการปฏิบัติเหมือนกับเก็บเกี่ยวความสุขเก็บเก็บเกี่ยวความรุดงานของทิวทัศน์สองข้างทางแม้จะยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ตามนะคำถามสุดท้าย ป้าอาจารเรื่องวันสุดท้ายหลวงพ่อกำเขียนและกระบวนการดูแลหลวงพ่อที่ช่วยให้หลวงพ่อจับไปสงบ ก, กระบวนการดูแลหลวงพ่อไม่ได้ช่วยให้หลวงพ่อจับไปสงบเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่เคยได้ทำเท่าไหร่หลวงพ่อท่านจาับใจสงบด้วยด้วยตั ว, ตวท่านเองก็ได้เพียงแต่ว่ากระบวนการดูแลเนี่ยไม่ไปไม่ไปขัดขวางท่านแน่ๆคือหลวงพ่อกเขียนท่านเป็นมะเร็ง ที่จรงาเป็นมะเร็งครั้งแรกปีศ .9 ไอ้ตอนที่เป็นมะเร็งครั้งแรกก็น่าสนใจนะท่านพูดถึงประสบการณ์ครั้งนั้นว่าท่านพู้ประสบการณ์ครั้งนั้นเนี่ยแล้วะเป็นหนังสือชื่อว่าสนุกปว่วยสนุกปว่วนยะแต่ที่นี่ท่านท่ามีความทุกอยู่ทุกเวทนามากนะมะเร็งมะเร็งอ่อทับตับตับเหลื ท่านปวดมากเนะตอนนั้นเนี่ยแล้วก็พบว่ามันมัมนมีมันมีก้อนเนื้อราวมาทิ่ตัมีคารหมอร์นี่ขุดแล้วก็ถามว่าหลวงพ่อปวดไหมปวดเต็มร้อยเกินร้อยเลยแล้วทำไมไม่แล้วทำไมไม่ร้องท่านตอบว่าปวดแล้วจะร้องทําไมให้ขาดทุนแล้วก็พูดภาษาทําไมไจะร้องทําไมจะซ้ําเติมเกินทําไม ปวดแล้วจะซ้ําเติมเกินทำไมเพราะถ้าร้องนี่คือซ้ําเติมเกิแต่ท่านใช้ภาษาว่าปวดแรงมันจะลอกทําไมให้ขาดทุนท่านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะมันมีความปวดนะแต่ท่านก็พูดว่าท่านก็บอกลูกศิษย์ว่าให้ความปวดที่ไม่เท่าไหร่มันไม่ลงโทษเราเท่าไรหร่หรอกแต่การเป็นผู้ปวดต่างหาที่มาลงโทษเราเข้าใจไหะความปวดมันไม่เท่าไหร่แต่การเป็นผู้ปวดที่มาลงโทษเรา อาการปวดมันเป็นความปวดมันเป็นแค่าการเอาไว้ดูเอาไว้เห็นอย่าเข้าไปเป็นแล้วนะถ้าพูดถึงตอนป่วดตอนปว่นปวยทั้งนั้นว่าเนี่ยสบายจริงเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะมีคนทําให้หมดจีวังก็มีคนซักนะอาหารก็เอามาถวายถึ ง, ถงเตียงนะไม่ต้องทําอะไรแค่ดูตายลักมันโชกก็พอแล้วแค่ดูตายลักมันโชว์ไ ต, ล, ตลักคืออะไรที่จางทีขง่ขานตา ไตรักมาโชว์ให้เราเห็นทางมาทางดั้งกายใช่ไหมถ้าบอกท่านก็ดูแค่นี้แดูดูไตรักมันโชว์ให้เราเห็นเนะมื่อแ ต, ต่บอว่าดีนะเวลาป่วยเนี่ยลองเปิดใจรับรู้ไตรักนะอย่างที่จําถ้าบอกว่าป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีคือฉลาดเรื่องสังขารเรื่องไตรักส่วนใหญ่ป่วยเนี่ยเราป่วยเราไม่ค่อยได้ดูไตรักที่สังขารมันแสดงตัวอาเนะี่ยเราเอาจะปวดมว ย, มยวา่าที่โวติพา เรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องจบก็ได้นะอยู่ในนี้แล้ว <c oughs> อันนั้คือป่วยครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยหนักตอนที่พวั้ที่สองเนี่ยนะอตอนแรกเข้าใจเป็นมะเร็งที่หลอดอาหารแต่ทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าท่านเป็นมะเร็งอะไรนะเพราะว่าหมอหลังจากที่ท่านมาที่วัดแล้วเนี่ยหมอดูอาการเนี่ยหมอหมอบอกว่าท่านเป็น มะเร็งต่อมนเหลืองแต่ไม่มีใครรู้เพราะว่าไม่สามารถจะไปเอาชิ้นเนื้อออกมาได้ก็ได้แต่คาดการตลงนี้ยังไม่รู้เลยนะท่านมรณภาพขพ้ออะไรแต่สันนิษฐานว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยนะมะเร็งเนี่ยนะมันไปดันก้อนเนื้อจนกระทั่งท่านหลอดลมในท่านท่านหายใจไม่ได้ต้องเจาะคอเจาะคอเนี่ยตรงหลอดเนี่ยเจาะเนี้ยเพื่อหายใจ แล้วเนื่องจากหลอดอาหารก็ถูกกดกินไม่ได้ก็ต้องเจาะท้องนะเติมอาหารเข้าไปไม่รู้รสชาติเลยแล้วก็อาหารก็อ้อาหารแล้วหายใจาทางนี้ถ้ารู้แล้วว่าคราวนี้คงจะคงจะไม่รอดแต่พวกเราต้องเชื่อว่าน่าจ ะ, น, าจะน่าจะอยู่ได้อีกนานนะ ก็ตะลนว่าย้ายมาย้ายมาที่วัดแล้วก็ท่านก็เขียนพินัยกรรมแล้วก็ทำรีวิวเลยบอกว่าถ้าท่านไม่สามารถถ้าท่า น, าา น, ไ, มาาานไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเพราะอาการลุกลามขอให้ไม่ทำสามอย่างก็คือหน่งผ่าตัดใหญ่สองการใช้เครื่องช่วยหายใจและสามการปั้มหัวใจและท่านบอกขอไปตายที่ขอตายที่วัดนะ ซึ่งมันทำให้ทาใหา้การดูแลท่า น, เ, นเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลแล้วว่าถ้าถึงเวลาที่ท่านไม่รู้สึกตัวนี่จะต้องไปโรงพยาบาลไหนครูบาอาจาราย์หลายรูปเนี่ยไปตายที่โรงพยาบาลแล้วก็มีเครื่องเขายิ่งแย่ไปหมด ส่ว น, นก็พ่อไม่ได้ท view ําีิมพ์ดีไา้หลวงพ่อหรือว่าคูณท่านทําพินัยกรรมดีมากยกอวัยวะให้กับโรงพยาบาลแต่ท่านไม่ได้บอกนะว่าถ้าทําไม่รู้สึกตัวจะทํำยังไงพอทราบไหมนะพอที่ถ้าพอพอท่านอยู่หลายปุตโต้ท่านหายใจไม่ได้หัวใจะหยุดเต้นเนี่ยก็ทํทำยังไงเอความ ปั๊มท่านเนี่ยที่ทดันทุไม่สำเร็จก็ไปปั๊มที่มหาราชนะคนอยุเก้าสินะนนนะแล้วปั๊มเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกระดูกี่โครงหักทิ่มปอดหายใจไม่ได้ท่านตายเพราะกรดูกทิ่มปอดนะอันนี้ตายแบบตายแบบจริงๆนะเพราะทีแรกจะาหายใจไม่ออกให้ไมาก็ปัม๊ม แต่พอคุณกระดูที่ปอดนี่เสร็จคืออย่างเงี้ยควรจะมีลิฟวิ่งเรืบอกว่าถ้าถ้าคูตายก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วนะไม่ต้องปัม๊มไม่ต้องนั่นนะหลวงพ่อท่านบอกท่านเอาท่านท่านบอกเลยนะไม่ต้องทําอะไรบ้างแล้วตลอดเวลานี้ท่านก็อยู่ที่วัดนี้ท่านก็ท่านก็ท่านก็นิ่งมากเลย หมอเคยถามว่าท่านป่วดไหมท่านบอกว่าไม่รู้ไ ม, ไม่ไม่มีตรงไหนที่ไม่รู้สึกปวดนะแต่ท่านก็ไม่เคยฉันยาเลยมากแต่ท่านก็บอกแล้วว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่กับอยู่กับความว่าอตอนนี้ท่านบอกอยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไรปล่อยวางทั้งหมดนะแล้วแต่ท่านก็จะบอกว่าเนี่ยนะตอนที่ท่านเนี่ยสังขารจะอยู่ได้แม่นานคราวนี้คงจะตายแนะไอ้เราก็ยังคิดว่าท่านอาจจะอยู่ได้อีกนา น, าน หลวงพ่อที่ท่านท่านให้การดูแลก็ให้อำนาจการดูแลอยู่กับลูกศิษย์นะท่านไม่ท่าไม่บวยไม่บวยไม่เรียกร้องอะไรเลยแล้วก็ลูกศิษย์ก็สิ่งที่ทำทำคือพยายามใช้พาเลติกแคร์นะก็คือการเยียวยาการแบบประคับประครองหลวงพ่อท่านท่านร่วมมือตลอดและท่านก็ท่านบอกว่าท่านบอกว่าท่านก็พูดถึงความตายอยู่บ่อย เป็นเช่นนั้นเองตัดจัตาความตายเป็นเช่นนั้นเองตายแน่อันนี้เอาให้นสั้นเลยนะวันสุดท้ายเนี่ยงท่านเนี่ยตอนตีสี่ท่านก็ปลุกท่านก็ส่งสัญญาณกดกลืนเพราะว่าก้อนเนื้อเนี่ยมันมันไปปิดมันเริ่มจะไปปิดมันเริ่มไปดันเองดันไอ้หลอดลมแล้วไอ ท่อที่ใช้หายใจเนี่ยมันกำลังจะหลุดถ้าหลุดก็คือหายใจไม่ออกไมก่คือตายลูกศิษย์ก็มาสามสี่องค์เนี่ยก็มาช่วยกันหนึ่งช่วยกันขยายหลอดลมสองช่วยกันทำให้ไอ้อนเนื้อมันดุดมันหุดขยายแต่ไม่สำเร็จเนะี่ยปั้มก็อยู่นานนะทั้งฉีดยาทั้งใส่ทั้งอ่าทั้ง่งน ป่เพราครึ่งชั่วโมงท่านก็ไม่ไหวท่านก็บอกขอเข้าห้องน้ำตอนหายใจไม่ค่อยได้แล้วนะแต่ท่านก็ยังเข้า้องน้ำเองหลังจากท่านตอล้างหน้าล้างมือท่านก็ขึ้นมาบนเตียงพอท่านขึ้นบนเตียงรู้สิกก็มาเริ่มมาดมาตุ้งมาตุ้งกัท่านหมายท่านเห็นว่ามันไม่ได้ผลละท่านก็เลยขอกระดาษและขอดินสอแล้วท่านก็เขียนพวกเรา ขอให้หลวงพ่อตายแต่ท่านเขียนไม่สะดวกนะเขียนแบบเนี้แล้วก็เขียนบัตรอ่านไม่ออกยื่นกระดาษให้ดูสิฐานไม่ออกนี่แสดงว่าปั๊แล้วก็มันูมาตัวท่านต่อชอบพักเนี่ยอพอท่านยื่นหนังสือพอท่านยื่นพอท่านยื่นกระดาษให้ท่านก็ขนมมือปกติรู้สึกที่ว่าท่านเนี่ยขนนมือขอบคุณเพราะว่าท่านทําให้ทุกครั้งเวลาเวลาทําภิษการเสร็จเนี่ย ท่านก็จะพนมออนนน ม, พนมือขอบคุณท่านนั่งนั่ถอมตัวมากพนมมือขอบคุณรู้สึกเป็นประจำทุกวันแต่คราวนี้รู้สึกไม่เฉยใจว่าท่านเนี่ยพนมมือลาเพราะท่า น, น, นหัวใจเพรการหายใจไม่ดีแล้วนะมันเสียงฟู่ฟู่แล้วเนี่ยนะแสงมันลมมันเข้ามันน้อยมากแต่ท่านไม่มีการกระสับกระส่ายเลยพอท่านพอท่านไหว้เสร็จ ท่านก็หลับตาแล้วก็สักพักท่านก็ขอตกหมดลมไปแล้วคือท่านปลายแบบที่ไม่มีการทุรนทุรายทั้งที่การหายใจไม่ออกนี่มันทรมานมากแต่ว่าท่านนิ่งมากอันนี้ก็เรียกว่าท่านก็ได้แสดงให้เราเห็นอันนี้ก็ธรรมะเขียนด้ย่อๆในเล่ม น, นี้บทสุดบทสุดท้ายแล้วบทที่หนึ่งร้อย ไม่เป็นอะไรกับอะไรป่วยขั้งแรกเนี่ยอยู่ในบทที่ชื่อว่าสนุกป่วยน ะ, ะก็อันนี้พูดแบบ ย, ย่อๆแต่ว่าเม่อที่คุณพึงพูดว่ากระบวนการดูแลเนี่ยไม่ได้ทำอะไร้ท่านเลยลูกศิษย์บอกว่าลูกศิษย์ที่ดูแลบอกสบายใจมากเพราะว่าการดูแลปกติกัคนใกล้ตาเนี่ยต้องดูแลทั้งกายและใจ ผมพ่อเนี่ยไมต้องดูแลเรื่องใจดูแลแต่เรื่องกายนะแล้วก็เรื่องการก็ไม่ได้ดูแลแรงมากกระบวนการการที่ท่านตาสงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกระบวนการการดูแลเลยนะเพราะว่าลู้สิกย์ไม่ทำลารท่านเลยในเรื่องของจิตใจเหตุใดมันเป็นกระบวนการที่ไม่ไปแทรกแซงไม่ไปขัดขวางไม่ไปขัดขวางท่านก็คือปล่อยให้ท่านไปสงบ สําหรับครูบาจารย์เนี่ยกระบวนการดูแลแค่ไม่ไปขัดขวางเราก็พอแล้วนะปล่อยให้ท่านเนี่ยนะไปอย่างสงบเนี่ท่านไปเองได้แต่บางครั้งกระบวนการดูแลไปขัดขวางนะทำให้ทําให้มันเกิดความทุกเกิดทุกขเวทนามากขึ้นเรื่กรณองหลวงพ่องเคียนเนี่ยนะก็เป็นกรณีที่จะจะว่าเอามาใช้กับกรณีอื่นคงไม่ได้ แต่เพราะว่าดูด้แต่กายใจยไม่ต้องดูแลแต่ว่าก็มีประเด็นนะที่มีประโยชน์มีคนมาถอบทเรียนกระบวนการดูแลหรืรักษาโรคข้อเนี่ยเป็นหนังสือนะเขาทิ้มเป็นเล่มของอะไรนะสมาคม บ, บริบาลทนะี่ยไท้า ย, ยน ะ, ะก็ใครสนใจก็ติดต่อซื้อได้ผมพอมีเลยอยู่บ้างเอาล้วก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ชื่อตอบคาถามทุกคาถามแล้วนะ